ส อ, อกุศละปยานพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิกษุทั้งหลายอากุสนธรรมสองอย่างนี้อคุ like ททสนธรรมสองอย่างนี้ธรรมทีม่มีโทษ ส, สองอย่างนี้ธรรมที่ไม่มีโ like ทษสองอย่างนี้ธรรมที่มีทุกข์เป็นกําไรสองอย่างนี้ธรรมที่มีสุขเป็นกําไรสองอย่างนี้ธรรมที่มีวิบากเป็นทุกข์สองอย่างนี้ธรรมที่มีวิบากเป็นสุขสองอย่างนี้ ทำที่มีความเบียดเบียนสองอย่างนี้ทำที่ไม่มีความเบียดเบียนสองอย่างนี้ทำที่ไม่มีความเบียดเบียนสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. อโกทะความไม่โกรธ 2. อนุปนาหะความไม่ผูกโกรธ 1. อามาคขะความไม่ลบหลู่คุณท่าน 2. ออปปลาสะความไม่ตีเสมอ 1. อณิสาความไม่ริษยา 2. อ, อมัชริยะความไม่ตรณี 1. อมายาไม่มีมารยา 2. อ, อสาเถยะความไม่โอโอดอวด 1. หิริความอายบาป 2. อโอตตปะความกลัวบาปภิกษุทั้งหลายทำที่ไม่มีความเบียดเบียนสองอย่างนี้แลอกุศละเปยานจบ นิยปยานพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตบัญญัติศขาบทแกเหล่าสาวกโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการนี้อำนาจประโยชน์สองประการอะไรบ้างคือ 1. เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์สเพื่อความผาสุขแห่งสงฆ์หเพื่อคมบุคคลผู้เกอ้อยาก 2. เพื่อความอยู่ผาสุข แห่งเหล่าภิกษุผู้มีศีลดีงาม 1. เพื่อปิดกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน 2. เพื่อกําจัดอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคต 1. เพื่อปิดกั้นเวรทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน 2. เพื่อกําจัดเวรทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคต 1. เพื่อปิดกั้นโทษทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน สเพื่อกําจัดโทษทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคต 1. เพื่อปิดกั้นภัยทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน 2. เพื่อกําจัดภัยทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคต 1. เพื่อปิดกั้นอกุศสธรรมทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน 2. เพื่อกําจัดอกุศสธรรมทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคต 1. เพื่ออนุเคราะห์คฤหัต 2. เพื่อตัดฝักฝายของภิกษุผู้ปรารถนาชั่ว 1. เพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใส 2. เพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของคนที่เลื่อมใสแล้ว 1. เพื่อความตั้งมั่นแห่งสัตรธรรม 2. เพื่อเอื้อเฟื้อวินัยตถาคตปัญญาสิกขาบทแก่เหล่าสาวกโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการนี้แหล ตถาคตบัญญัติปาติโมกแก่เหล่าสาวกบัญญัติการสวดปาติโมกบัญญัติการงดสวดปาติโมกบัญญัติปวารณาบัญญัติการงดปวารณาบัญญัติตัชนิยกรรมบัญญัตินิยสกรรมบัญญัติปภาชนิยกรรมบัญญัติปฏิสารณิยกรรมบัญญัติอุเคปนิยกรรมบัญญัติการให้ปริวาธ บัญญัติการช่าเข้าหาอาบัติเดิมบัญญัติการให้มานัดบัญญัติอภพานบัญญัติการเรียกเข้าหมู่บัญญัติการขับออกจากหมู่บัญญัติการอุปสมบทบัญญัติยติกำมบัญญัติยติทุติยกรรมบัญญัติยติจตุทักกรรมบัญญัติสิกขาบทที่ยังไม่ได้บัญญัติบัญญัติเพิ่มเติมสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้ว บัญญัตสิสามมุขาวิไนบัญญัติสติวิไนบัญญัตอิอโมลหาวิไนบัญญัติปตินยาตะกระระบัญญัติเยผุยสิกาบัญญัติตัสปาปิยะสิกาบัญญัติติ น, นวัฏฐากะโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการนี้อำนาจประโยชน์สองประการอะไรบ้างคือ 1. เพื่อความรับว่าดีแห่งสง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 สเพื่อกําจัดอกุศลธรรมทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคต 1. เพื่ออนุเคราะรห์คฤหัดสองเพื่อตัดฝักไ ฟ, กฟของภิกษุผู้ปรารถนาชั่ว 1. เพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใส 2. เพื่อความเลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นของคนที่เลื่อมใสแล้ว 1. เพื่อความตั้งมั่นแห่งสัตยธรรม 2. เพื่อเอื้อเฟื้อวินัย ภิกษุทั้งหลายตถาคตบัญญัติติ น, นวัตรการกแก่เหล่าสาวกโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สองประการนี้แหละวินัยะไปยานจบ 4. ราคะไปยาน พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญทำสองประการเพื่อรู้ยิ่งราคะทำสองประการอะไรบ้างคือ 1. สมถะการฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิ 2. วิปัสสนาความเห็นแจ้งภิกษุควรเจริญทำสองประการนี้เพื่อรู้ยิ่งราคะเพื่อกำหนดรู้ราคะความกำหนัดเพื่อความสิ้นราคะ เพื่อละราคะเพื่อความสิ้นไปแห่งราคะเพื่อความเสื่อมไปแห่งราคะเพื่อความคลายไปแห่งราคะเพื่อความดับแห่งราคะและถึงเพื่อความสละราคะเพื่อความสละคืนราคะภิกสุควรเจริญทำสองประการนี้และถึงเพื่อรู้ยิ่งโ ท, ทสะความคิดประทุสร้ายเพื่อกำหนดรู้โ ท, ทสะ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 ปลาสะความตีเสมออิสาความริษยามัชริยะความตรณีมายามานยาสาเทยะความโอ้อวดธรรมภะความหัวดื้อสารัพภะความแข็งดีมานะความถือตัวอติมานะความดูหมิ่นเขามทะความมัวเมาประมาทะความประมาทภิกษุ ควรเจริญทำสองประการนี้ทำสองประการอะไรบ้างคือหนึ่งสมถะสองวิปัสสนาภิกษสุทั้งหลายภิกษสุควรเจริญทำสองประการนี้เพื่อสลัดความประมาทเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ภิกษสุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคราคะไปะ ย, ายานจบทุกขนิบาท บบรริูณพระสุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายเตยการนิบาทขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่ง ปฐมมปันนาฏหนึ่งพาละวัคหมวดว่าด้วยคนพานและบัณฑิตหนึ่งพยสูตรว่าด้วยผู้เป็นภัยและไม่เป็นภัยเขาพระเจ้าได้สรับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกาเสตีเคกรงสาวัตถีณนะที่นั้นแหล พระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภัยที่เกิดขึ้นทั้งสิน้นล้วนเกิดจากคนพาลมิใช่เกิดจากบัณฑิตอุปัทวะที่เกิดขึ้นทั้งสิน้นล้วนเกิดจากคนพาลมิใช่เกิดจากบัณฑิตอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งสิน้น ล Dante, ้วนเกิดจากคนพานมิใช่เกิดจากบัณฑิตไยที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นล้วนเกิดจากคนพานมิใช่เกิดจากบัณฑิตอุปัวะที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นล้วนเกิดจากคนพานมิใช่เกิดจากบัณฑิตอุปสรคที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นล้วนเกิดจากคนพานมิใช่เกิดจากบัณฑิตเปรียบเหมือนไฟที่ลุกลามจากเรือนไม้อ้อหรือเรือนหญ้า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 เพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าบุคคลประกอบด้วยธรรมสามประการใดพึงทราบว่าเป็นคนพาลเราจะประพฤติเว้นธรรมสามประการนั้นบุคคลประกอบด้วยธรรมสามประการใดพึงทราบว่าเป็นบัณฑิตเราจะถือปฏิบัติธรรมสามประการนั้นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลพะยะสูตรที่หนึ่งจบ ลักษณะสูตรว่าด้วยลักษณะคนพาลและบัณฑิตภิกษุทั้งหลายคนพาลมีกรรมเป็นเครื่องกําหนดบัณฑิตมีกรรมเป็นเครื่องกําหนดปัญญาเมื่อใช้เป็นประจำจึงงดงามบุคคลประกอบด้วยทำสามประการพึงทราบว่าเป็นคนพาลทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. กายยตุจริตความประพฤติชั่วด้วยกาย สวจีทุจริตความประพฤติชั่วด้วยวาจา 3. มนโนทุจริตความประพฤติชั่วด้วยใจบุคคลประกอบด้วยทำสามประการนี้แลพึงทราบว่าเป็นคนพาลบุคคลประกอบด้วยทำสามประการพึงทราบว่าเป็นบัณฑิตทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. กายสุจริตความประพฤติชอบด้วยกาย2วจีสุจริต ความประพฤติชอบด้วยวาจา 3. มมโนสุจริตความประพฤติชอบด้วยใจบุคคลประกอบด้วยทำสามประการนี้แลพึงทราบว่าเป็นบัณฑิตเพราะเหตุนั้นแหลเธอทั้งหลายพึงสำเนีจอกอย่างนี้ว่าบุคคลประกอบด้วยทำสามประการใดพึงทราบว่าเป็นคนพาลเราจะประพฤติเว้นทำสามประการนั้น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 จินตีสูตรว่าด้วยความคิดระหว่างคนพานกับบัณฑิตภิกษุทั้งหลายลักษณะแห่งคนพานเครื่องหมายแห่งคนพานความประพฤติไม่ขาดสายแห่งคนพาน3ประการนี้ลักษณะแห่งคนพาน3ประการอะไรบ้างคือคนพานในโลกนี้ 1. ชอบคิดแต่เรื่องชั่ว 2. ชอบพูดแต่เรื่องชั่วส ชอบทาแต่กรรมชั่วถ้าคนพานไม่ชอบคิดเรื่องชั่วไม่ชอบพูดเรื่องชั่วไมชรรช english, ช่ชอบทำกรรมชั่วเช่นนั้นบัณฑิตทั้งหลายจะเพิ่งรู้จักเขาด้วยเหตุไรว่าผู้นี้เป็นคนผ่านไม่ใช่คนดีแต่เพราะคนพานชอบคิดแต่เรื่องชั่วชอบพูดแต่ dioxide, เรื่องชั่วและชอบทำแต่กรรมชั่วฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายจึงรู้จักเขาว่าผู้นี้เป็นคนพานไม่ใช่คนดี ลักษณะแห่งคนพานเครื่องหมายแห่งคนพานความประพฤติไม่ขาดสายแห่งคนพาน3ประการนี้แหลลักษณะแห่งบัณฑิตเครื่องหมายแห่งบัณฑิตความประพฤติไม่ขาดสายแห่งบัณฑิตสประการนี้ลักษณะแห่งบัณฑิตสประการอะไรบ้างคือบัณฑิตในโลกนี้ 1. ชอบคิดแต่เรื่องดี 2. ชอบพูดแต่เรื่องดี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 ลักษณะแห่งบัณฑิตเครื่องหมายแห่งบัณฑิตความประพฤติมือขาสายแห่งบัณฑิตสประการนี้แลเพราะเหตุนั้นแหลเธอทั้งหลายพึงสำเนีกอางนี้ว่าบุคคลประกอบด้วยธรรมสามประการใดพึงทราบว่าเป็นคนพาลเราจะประพฤติเวน้นธรรมสามประการนั้นบุคคลประกอบด้วยธรรมสามประการใดพึงทราบว่าเป็นบัณฑิต เราจากถือปฏิบัติธรรม3าประการนั้นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลจินตีสูตรที่สจบ 4. อาจิยะสูตรว่าด้วย การเห็นโทษและไม่เห็นโทษภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยทำ3าประการพึงทราบว่าเป็นคนพานทำสา3ประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่เห็นโทษโ ด, ดยความเป็นโทษ 2. เห็นโทษโ ด, ดยความเป็นโทษแล้วไม่แก้ไขตามสมควรแก่ความผิด 3. เมื่อผู้อื่นชี้โทษอยู่ไม่ยอมรับตามสมควรแก่ความผิด บุคคลประกอบด้วยทำสามประการนี้แลพึงทราบว่าเป็นคนพาลบุคคลประกอบด้วยทำสามประการพึงทราบว่าเป็นบัณฑิตทรสามประการอะไรบ้างคือ 1. นเห็นโทษดูความเป็นโทษ 2. เห็นโทษดอความเป็นโทษแล้วแก้ไขตามสมควรแก่ความผิด 3. เมื่อผู้อื่นชี้โทษอยู่ว่ายอมรับตามสมควรแก่ความผิด บุคคลประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แหละพึงทราบว่าเป็นบัณฑิตเพราะเหตุนั้นละถึงอัจยสูตรที่สจบ 5. อาอโยนิโสสูตรว่าด้วย การถามตอบโดยไม่แยบคายภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบพฤติธรรม3ามประการเพื่ทราบว่าเป็นคนพานทำสา3ประการอะไรบ้างคือ 1. ตั้งปัญหาโดยไม่แยบคาย 2. ตอบปัญหาโดยไม่แยบคาย 3. ไม่ชื่นชมยินดีปัญหาที่ผู้อื่นตอบโดยแยบคายด้วยบทพยัญชนะที่เหมาะสมสละสลวยเข้ารูป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 บุคคลประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แลพึงทราบว่าเป็นบัณฑิตเพราะเหตุนั้นละถึงอโยนิโสสูตรที่หจบ 6. อากุศละสูตรว่าด้วย อกุศ ล, ลธรรมภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสามประการพึงทราบว่าเป็นคนพาลธรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. นกายกรรมที่เป็นอกุศล 2. วจีกรรมที่เป็นอกุศล 3. มโนโกรรมที่เป็นอกุศลบุคคลประกอบด้วยธรรม3มประการนี้แลพึงทราบว่าเป็นคนพาล บุคคลประกอบด้วยทำสามประการพึงทราบว่าเป็นบัณฑิตทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. กายกรรมที่เป็นกุศล 2. วัวจีกรรมที่เป็นกุศล 3. มโนกรรมที่เป็นกุศลบุคคลประกอบด้วยทำสามประการนี้แลพึงทราบว่าเป็นบัณฑิตเพราะเหตุนั้นละถึงอกุศลสูตรที่หจบ สาวัตสูตรว่าด้วยกรรมที่มีโทษภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม3ามประการพึงทราบว่าเป็นคนพานธรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. นกายกรรมที่มีโทษ 2. องวจีกรรมที่มีโทษ 3. มโนกรรมที่มีโทษบุคคลประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แลพึงทราบว่าเป็นคนพาน บุคคลประกอบด้วยทำสามประการพึงทราบว่าเป็นบัณฑิตทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. นกายกรรมที่ไม่มีโทษ 2. องวจิกรรมที่ไม่มีโทษ 3. มโนกรรมที่ไม่มีโทษบุคคลประกอบด้วยทำสามประการนี้แหลพึงทราบว่าเป็นบัณฑิตเพราะเหตุนั้นละถึงสาวัชสูตรที่7จบ 8. สัพยาปัชสูตรว่ า, ด, รรวา ด, ด้ายาาวนนกกยกรรมที่มีความเบียดเบียนภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสามประการพึงทราบว่าเป็นคนพานธรรมสมประการอะไรบ้างคือ 1. กายกรรมที่มีความเบียดเบียน 2. วจีกรรมที่มีความเบียดเบียน 3. มโนกรรมที่มีความเบียดเบียน บุคคลประกอบด้วยทำสามประการนี้แลพ anyway, ึงทราบว่าเป็นคนผ่านบุคคลประกอบด้วยทำสามประการพึงทราบว่าเป็นบัณฑิตทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. กายกรรมที่ไม่มีความเบียดเบียน 2. องวจีกรรมที่ไม่มีความเบียดเบียน 3. มโนกรรมที่ไม่มีความเบียดเบียน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 เธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลสัพยาปัจจสูตรที่8จบเก้าค<ม><น>ตะสูตรว่าด้วยการบริหารตนให้ถูกกำจัดภิกษุทั้งหลาย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 ทำสประการอะไรบ้างคือ 1. กึกายสุจริต 2. วจีสุจริต 3. มโนสุจริตภิกษุทั้งหลายบัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตบุรุษประกอบด้วยทำสามประการนี้แลย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกาจัดไม่ให้ถูกทำลายไม่มีความเสียหายไม่ถูกผู้รู้ติเตียนและประสบบุญเป็นอันมาก คตะสูตรที่9จบ 10. มละสูตรว่าด้วยการละมนทินภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมามประการไม่ละมนทิน3ประการย่อมดำรงอยู่ในนรก เหมือนถูกนำไปฟังไว้ทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นคนทุศีลและม่ละมนทินคือความเป็นคนทุศีลสเป็นคนริษยาและมิละมนทินคือความริษยา 3. เป็นคนตรณีและมิละมนทินคือความตรณีบุคคลประกอบด้วยทำสามประการนี้แหลไม่ละมนทินสามประการนี้ดำรงอยู่ในนรก เหมือนถูกนำไปฝังไว้บุคคลประกอบด้วยธรรมสามประการและมนทินสามประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปปฏิสฐานไว้ธรรมสประการอะไรบ้างคือ 1. มีศีลและละมนทินคือความเป็นคนทุศีล 2. ไม่ริษยาและละมนทินคือความริษยา 3. มไม่ตรณี และละมนทินคือความตรณีภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แลและมนทินสาประการนี้ดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้มละสูที่10จบภาละวักที่หนึ่งจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. พยสูตร 2. ลักขณะสูตร 3. จินตีสูตร 4. อาจยะสูตร 5. าอโยนิโสสูตร 6. อากุศลสูตร 7. สาวัชสูตร 8. สัพยาปัชสูตร 9. คตะสูตร 10. มละสูตร สรัฐาการวัรหมวดว่าด้วยแช่งรถหนึ่งยาตะสูตรว่าด้วยภิกษุผู้มีชื่อเสียงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุที่มีชื่อเสียงประกอบด้วยทำสามประการปฏิบัติเพื่อไม่เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เกื้อกูล เพื่อทุกแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. ชักชวนในกายกรรมที่ไม่สมควร 2. ชักชวนในวจิกรรมที่ไม่สมควร 3. ชักชวนในธรรมที่ไม่สมควรภิกษุที่มีชื่อเสียงประกอบด้วยทำสามประการนี้แลปฏิบัติเพื่อไม่เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มาก เพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุก์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกษุที่มีชื่อเสียงประกอบด้วยทำสามประการปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำสามประการอะไรบ้างคือ 1. ชักชูนในกายกรรมที่สมควร 2. ชักชวนในวจิกรรมที่สมควร 3. ชักชวนในธรรมที่สมควรภิกษุทั้งหลายภิกษุที่มีชื่อเสียงประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แหลปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายญาติสูตรที่1จบ สารณียสูตรว่าด้วยสถานที่อันกษัตรย์และภิกษุพึงระลึกถึงตลอดชีวิตภิกษุทั้งหลายสถานที่สมแห่งนี้เป็นสถานที่อันกษัตราธิราชผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้วพึงระลึกถึงตลอดพระชนมชีพสถานที่สมแห่งอะไรบ้างคือ 1. นึกษัตราธิราชผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้ว ประสู Border, นนาสถานที่ใดสถานที่นี้เป็นสถานที่แห่งที่ shepherd, ท garage, ouais, hai, หนึ่งอันกษัตราธิราชผู้ได้รับมุลทาพิเศษแล้วพ claro. ึงระลึกถึงตลอดพระชนมชีพ 2. กษัตริย์ที่ราชผู้ได้รับมุลทาพิเศษแล้วณสถานที่ใดสถานที่นี้เป็นสถานที่แห่งที่สองอันกษัตราชิราชผู้ได้รับมุลทาพิเศษแล้วพึงระลึกถึงตลอดพระชนมชีพ 3. กษัตริย์ที่ราชผู้ได้รับมรทาพิเศกแล้วทรงชนะสงครามครั้งใหญ่พิชิตชัยสงครามครอบครองสนามรบใดสนามรบนี้เป็นสถานที่แห่งที่สอันกษัตริย์ที่ราชผู้ได้รับมรทาพิเศกแล้วพึงระลึกถึงตลอดพระชนม์ชีพสถานที่สมแห่งนี้แหลอันกษัตราที่ราชผู้ได้รับมรทาพิเศกแล้ว พึงระลึกถึงตลอดพระชนม์ชีพอย่างนั้นเหมือนกันแลสถานที่สามแห่งนี้อันภิกษุพึงระลึกถึงตลอดชีวิตสถานที่สามแห่งอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตณนะสถานที่ใดสถานที่นี้เป็นสถานที่แห่งที่หนึ่งอันภิกษุพึงระลึกถึงตลอดชีวิต สองพิุรู้ชาติตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกนี้ทุกขนิโรธความดับทุกขนี้ทุกขนิโรธคาไินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขณนะสถานที่ใดสถานที่นี้เป็นสถานที่แห่งที่สองอันภิกษุพึงระลึกถึงตลอดชีวิต 3. ภิกษุทําให้แจ้งเจโตวีมุต ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันณนะสถานที่ใดสถานที่นี้เป็นสถานที่แห่งที่สอันภิกษุพึงระลึกถึงตลอดชีวิตภิกษุทั้งหลายสถานที่สามแห่งนี้แลอันภิกษุพึงระลึกถึงตลอดชีวิตสารณียสูตรที่สองจบ สาอาสังสสูตรว่าด้วยความหวังทางโลกและทางธรรมภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสามจำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลที่หมดความหวัง 2. บุคคลที่ยังมีความหวัง 3. บุคคลที่ปราศจากความหวังบุคคลที่หมดความหวังเป็นอย่างไร คือบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลต่ำคือตระกูลจันทานตระกูลช่างศารตระกูลนายพรานตระกูลช่างรถหรือตระกูลคนขนขยะเป็นตระกูลยากจนมีข้าวน้ำและเสียงของเครื่องใช้น้อยเป็นไปอย่างเฟื่อเคืองเป็นแหล่งที่หาของกินและเครื่องงุ่งห่มได้ยากและเขามีผิวพันธ์หมนมองไม่น่าดูต่ำเตี้ยมีความเจ็บป่วยมาก ตาบอดเป็นง่อยเป็นคนกระจอกหรือเป็นโรคอัมพาตมักไม่ได้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปลายที่นอนที่พักและเครื่องที่ทําให้เกิดแสงสว่างเขาฟังข่าวว่ากษัตริย์ทรงพระนามอย่างนี้ได้รับแต่งตั้งโดยการอภิเษกให้เป็นกษัตริย์เขาไม่มีความคิดว่าพวกกระสัตย์ จากแต่งตั้งตัวเราโดยการอภิเสกให้เป็นกษัตริย์สักคราวหนึ่งเป็นแน่แท้นี้เรียกว่าบุคคลที่หมดความหวังบุคคลที่ยังมีความหวังเป็นอย่างไรคือพระราชโอรสพระองค์พี่ของพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้รับมุรธาพิเศษแล้วในโลกนี้ผู้ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งโดยการอภิเสกถึงความไม่หวนไหวพระองค์สดับว่า กษัตริย์ผู้มีพระนามอย่างนี้ได้รับแต่งตั้งโดยการอภิเษกให้เป็นกษัตริย์พระองค์ทรงดําริอย่างนี้ว่าพวกกษัตริย์จักแต่งตั้งเราโดยการอภิเษกให้เป็นกษัตริย์สักคราวหนึ่งเป็นแน่แท้นี้เรียกว่าบุคคลที่ยังมีความหวังบุคคลที่ปราศจากความหวังเป็นอย่างไรคือพระราชาในโลกนี้เป็นกษัตริย์ผู้ได้รับมุรธาพิเศษแล้ว พระองค์สดับว่ากษัตริย์ผู้มีพระนามอย่างนี้ได้รับแต่งตั้งโดยการอภิเษกให้เป็นกษัตริย์พระองค์ย่อมไม่ทรงดำริว่าพวกกษัตริย์จากแต่งตั้งแม้เราโดยการอภิเษกให้เป็นกษัตริย์สักคราวหนึ่งเป็นแน่แท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความหวังในการอภิเษกของพระองค์เมื่อครั้งยังไม่ได้รับการอภิเษกระ ง, งับไปแล้วนี้เรียกว่าบุคคลที่ปราศจากความหวัง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 อันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเธอไม่มีความคิดอย่างนี้ว่าแม้เราก็จะทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันสักคราวหนึ่งเป็นแน่แท้นี้เรียกว่าบุคคลที่หมดความหวัง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 นี้เรียกว่าบุคคลที่ปราศจากความหวังภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในหมู่ภิกษุอาสังสสูตรที่สามจบ